พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายทุกกะนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสองข้อปฐมปันนาตหรือหมวดห้าสิบสูตรที่หนึ่งวักที่หนึ่งชื่อ ก, กรรมกัรวักว่าด้วยเครื่องลงโทษพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนาราม ตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงโทษสองอย่างคือโทษในปัจจุบันและโทษในภพหน้าโทษในปัจจุบันเช่นการจับโจรได้แล้วลงโทษบ่อยด้วยแส้บ่อยด้วยหวายตัดมือตัดเท้าตัดศีรษะเป็นต้นส่วนโทษในภพหน้าได้แก่ผลของทุจริตทางกายวาจาใจ ซึ่งจะทำให้เข้าถึงอบายทุ ก, กติวินิบาตนรกเมื่อตายไปแล้วตรัสสอนให้กลัวโทษเห็นภัยในโทษก็จะพ้นจากโทษทั้งปวงได้ทรงแสดงถึงความเพียรสองอย่างคือความเพียรในการทำปั จ, จัยสีให้เกิดขึ้นของข้ารือหัดกับความเพียรเพื่อสละกิเลส ท, ทั้งปวงของบรรพชิต ทรงยกย่องความเพียรของบรรพชิตว่าเป็นเลิศในทางศาสนาแล้วสอนให้ภิกษุตั้งความเพียรเพื่อสละกิเลสทั้งปวงทรงสแสดงธรรมะสองอย่างที่ทำให้เดือดร้อนคือเมื่อทำทุจริตทางกายวาจาใจไม่ทำสุจริตทางกายวาจาใจก็เดือดร้อนว่าได้ทำทุจริต เดือดร้อนว่าไม่ได้ทำสุจริตส่วนธรรมะสองอย่างที่ทำไม่ให้เดือดร้อนพึงทราบโดยในตรงกันข้ามทรงแสดงว่าทรงเห็นคุณของธรรมะสองอย่างคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมหมายถึงคือไม่หยุดยั้งยินดีเพียงคุณความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พยายามก้าวหน้าเรื่อยไปจนถึงที่สุดคืออรหัตผลกับความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในความเพียรแล้วทรงแสดงผลดีที่ทรงได้รับมาจากคุณธรรมที่กล่าวนี้แล้วตรัสสอนภิกษุทั้งหลายเน้นให้ไม่ถอยหลังในความเพียรทรงแสดงธรรมสองอย่างคือการพิจารณาเห็นด้วยความพอใจในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสที่ผูกมัดกับการพิจารณาเห็นด้วยความเบื่อหน่ายในธรรมะเช่นนั้นทรงแสดงโทษของการพิจารณาเห็นด้วยความพอใจคือการละกิเลสและหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้ส่วนการพิจารณาเห็นด้วยความเบื่อหน่ายทำให้ละกิเลสและหลุดพ้นจากทุกข์ได้ ทรงแสดงธรรมะฝ่ายดำสองอย่างคือความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวต่อบาปและทรงแสดงธรรมะฝ่ายขาวคือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปทรงแสดงธรรมะฝ่ายขาวที่คุ้มครองโลกคือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปถ้าธรรมะทั้งสองนี้ไม่คุ้มครองโลก ก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นมารดานะาป้าภริยาของอาจารย์ของครูโลกจะปนเปนกันเหมือนแพะไก่สุกรสุนักบ้านสุนักป่าทรงแสดงการเข้าพรรษาสองอย่างคือการเข้าพรรษาแรกกับการเข้าพรรษาหลังวรรคที่สอง ชื่ออธิการณาวัคว่าด้วยอาิกรทรงแสดงกาลังสองอย่างคือกําลังคือการพิจารณาหรือปฏิสังขานภละกับกําลังคือการอบรมหรือภาวนาภละและตรัสอธิบายกําลังคือการพิจารณาว่าได้แก่ การพิจารณาเห็นโทษของทุจริตแล้วละทุจริตเจริญสุดจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์ได้ส่วนกำลังคือการอบรมได้แก่กำลังของพระเสขะหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษายังไม่บรรลุถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นเหตุให้ละราคะโทสะโมหะไม่ทำอกุศลไม่เสบบาป ครั้นแล้วทรงอธิบายกำลังทั้งสองอย่างนี้อยากย้ายในต่อไปอีกสองแนวโดยอธิบายถึงกำลังการพิจารณาตามแนวเดิมส่วนกำลังคือการอบรมได้แก่การเจริญโพชฌงค์คือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เจ็ดอย่างมีสติเป็นต้นการเจริญโพชฌงค์เจ็เป็นแนวหนึ่งกับอีกแนวหนึ่งได้แก่การเจริญฌานทั้งสี หรือการเพ่งอารมณ์ทรงสแสดงธรรมเทศนาของพระตถาคตว่ามีสองอย่างคืออย่างย่ อ, อกับอย่างพิสดารทรงสแสดงถึงภิกษุที่ถูกกล่าวหาในอธิกรณ์กับภิกษุผู้โจทฟ้องว่าถ้าไม่พิจารณาตนให้ดีเรื่องก็จะยืดเยื้อร้ายแรงขึ้นและภิกษุทั้งหลายก็จะอยู่ไม่ผาสุข แล้วส่งแสดงรายละเอียดในการพิจารณาตนของภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นทรงแสดงธรรมแก่พรามผู้หนึ่งถึงเหตุคือการประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติไม่เรียบร้อยว่าเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศนรกเมื่อตายแล้วส่วนการประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติเรียบร้อยเป็นเหตุให้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ เมื่อตายแล้วทรงแสดงธรรมแก่ชานุสัโสนิพรามเรื่องการเข้าถึงนรกสวรรค์โดยชีย้ไปที่การกระทำทุจริตและการกระทำสุจริตโดยลำดับทรงแสดงแก่พระอานนท์ว่าทุจริตไม่ควรทำโดยเด็ดขาดคือไม่มีทางผ่อนให้เพราะเมื่อทำเข้าตนก็ติตนได้ ผู้รู้พิจารณาแล้วก็ติได้กิตติศัพท์อันชั่วย่อมฟุ้งไปเป็นกู้หลงเมื่อตายตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกกติวินิบาทนรกส่วนสุจริตทรงสแสดงโดยประการตรงกันข้ามทรงสอนให้ละอกุศลเพราะอาจจะละได้ถ้าลักไม่ได้ หรือถ้าละแล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์ก็จะไม่ส่งสอนให้ละแล้วส่งสอนให้เจริญกุศลเพราะอาจจะเจริญได้ถ้าเจริญไม่ได้หรือเจริญแล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์ก็จะไม่ท่งสอนให้เจริญทรงแสดงถึงธรรมะสองอย่างที่ทําให้พระสัตวรทำเละเลือนอันตรธาน คือการยกบทพยัญชนะผิดกับการแนะนำความหมายผิดส่วนธรรมะสองอย่างที่ไม่ทำให้พระสัตวรรลทะเลื่อนอันตรธานคือการยกบทพยัญชนะถูกกับการแนะนำความหมายถูกวักที่สชื่อพาลวักว่าด้วยคนพาล ทรงแสดงคนพาลสองประเภทคือไม่เห็นโทษของตนกับเมื่อผู้อื่นแสดงคืนโทษคือผู้อื่นขอโทษไม่ยอมรับแล้วทรงแสดงบัณฑิตสองประเภทในทางตรงกันข้ามทรงแสดงบุคคลที่กล่าวตู่ระตถาคตสองประเภทคือ 1. ผู้คิดประทุษร้ายตกอยู่ในอำนาจความคิดประทุษร้าย 2. ผู้มีศรัทธาถือเอาผิดคือหมายถึงจำผิดเข้าใจผิดทรงแสดงบุคคลที่กล่าวตู่พระตถาคตสองประเภทอีกสองข้อคือข้อแรกผู้แสดงถ้อยคำที่พระตถาคตไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดว่าพระตาคตกล่าวไว้พูดไว้กับผู้ที่แสดงถ้อยคำที่พระตถาคตกล่าวไว้ พูดไว้ว่าตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้พูดไว้กับอีกข้อหนึ่งผู้แสดงพระสูตรที่มีอัฏฐะอันควรแนะนาว่ามีอัฏะอันแนะนำแล้วแสดงพระสูตรที่มีอัฏฐะอันควรแนะนำแล้วว่ามีอัฏฐะอันควรแนะนำคือแสดงสับสนไปจากหลักธรรม ทรงแสดงคติของตนที่ทำกรรมซึ่งต้องปกปิดกรรมชั่วว่าได้แก่นรกหรือกำเนิดเดรัจฉานส่วนผู้ทำกรรมไม่ต้องปกปิดคือกรรมดีมีคติเป็นสองคือเทพหรือมนุษย์ทรงแสดงว่าผู้เห็นผิดและผู้ทุศีนมีคติเป็นสองในทางชั่วส่วนผู้เห็นชอบ และผู้มีศีลก็มีคติเป็นสองในทางดีเช่นเดียวกับข้อสี่ทรงสแสดงธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาคือความรู้สองอย่างคือสมถะการทำจิตให้สงบและวิปัสสนาการทำปัญญาให้เห็นแจ้งแล้วทรงสแสดงผลว่าอบรมสมถะชื่อว่าอบรมจิต อบรมจิตคือสมาธิแล้วทําให้ละราคะหรือความกําหนัดยินดีได้อบรมวิปัสนาแล้วชื่อว่าอบรมปัญญาอบรมปัญญาแล้วทําให้ละอวิชชาหรือความไม่รู้จริงได้ทรงแสดงว่าจิตที่เศร้าหมองเพราะราคะย่อมไม่หลุดพ้นปัญญาที่เศร้าหมองเพราะอาวิชชา ยอมชื่อว่าไม่ได้รับการอบรมด้วยเหตุนี้เพราะคลายราคะจึงชื่อว่าเจโตวิมุตตหมายถึงความหลุดพ้นเพราะสมาธิเพราะคลายอวิชชาจึงชื่อว่าปัญญาวิมุตตคือความหลุดพ้นเพราะปัญญาวักที่สี่ชื่อสมจิ ต, ตวัก ว่าด้วยจิตสม่ำเสมอทรงแสดงภูมิของอาสัตว์บุรุษคือคนชั่วและภูมิของสัตว์บุรุษคือคนดีโดยชีย้ไปที่ความเป็นผู้ไม่กตันยูกะตะเวทีหรือความเป็นผู้กรตันยูกะตะเวทีคือรู้คุณที่ผู้อื่นทำแล้วชื่อกะตันยูตอบแทนหรือประกาศคุณที่ผู้อื่นทำแล้ว ชื่อกระตะเวทีทรงแสดงว่าบุคคลสองท่านคือมารดาบิดาเป็นผู้ที่จะสนองคุณได้โดยมากแม้บุตรจะแบกมารดาบิดาไว้บนบาคนละข้างตั้งหนึ่งร้อยปีปฏบิบัติบำรุงด้วยประการต่างๆให้มารดาบิดาถ่ายอุจจาระปัสวะบนบานั้นหรือทำให้มารดาบิดาเสวยราชสมบัติ ก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณได้เพราะมารดาบิดดามีอุปการะมากเป็นผู้เลี้ยงดูแสดงโลกนี้แก่บุตรแล้วส่งแสดงการแทนคุณคือทามารดาบิดดาที่ไม่มีศรัทธาที่ทุศีนทิตรณีที่มีปัญญาสามให้มีศรัทธาให้มีศีลให้รู้จักเสียสละให้มีปัญญาความหมายคือให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ตรัสแสดงธรรมแก่พระามผู้หนึ่งว่าพระองค์เป็นทั้งกิริยาวาทีคือผู้พูดว่าทมและอากิริยาวาทีคือผู้พูดว่าไม่ทมคือให้ทมสุจริตแต่ไม่ให้ทมทุจริตทรงแสดงธรรมแก่อนาถาบินทิกะคฤหบดีว่าทักินเนยยะบุคคล หรือบุคคลผู้ควรแก็ทักซินาหรือของถวายคือพระเสขะซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษาคือตั้งแต่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัคขึ้นไปถึงอรหัตตมัคกับพระอเสขะคือพระอรหันต์ผู้ไม่ต้องศึกษาเพราะบรรลุถึงฐานะอันสูงสุดแล้วควรถวายทานให้ท่านเหล่านี้ พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงบุคคลสองประเภทคือผู้มีสังโยชน์ภายในคือมีกิเลสเครื่องร้อยรัดภายในมีศีลสมบูรณ์เมื่อตายแล้วก็เกิดใหม่ในหมู่เทพพวกใดพวกหนึ่งและจะกลับมาสู่โลกนี้อีกส่วนผู้มีสังโยชน์ภายนอกมีสองประเภทคือผู้มีศีลสมบูรณ์เข้าสู่เจโตวิมุต คือชาญหรือสมาบัตอันใดอันหนึ่งเกิดในหมู่เทพพวกใดพวกหนึ่งแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกกับอีประเภทหนึ่งคือมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติเพื่อดับกามคือความใคร่เพื่อดับภพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อสิ้นตัณหาเพื่อสิ้นความโลภเมื่อตายไปแล้วเกิดในหมู่เทพพวกใดพวกหนึ่งแล้ว ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกพราหม์ชื่ออารามทันทะถามพระมหากัจจานะถึงเหตุให้กษัตริย์พราหม์คารุหบดีทะเลาะกันเองกับพวกของตนพระเทระตอบชี้ไปที่ความยึดในกามราคะคือความกำหนัดหรือความติดในกามเมื่อถามถึงสมณะทะเลาะกันเองกับสมณะเพราะเหตุไร ก็ตอบว่าเพราะติดในทิฏฐิราคะคือความติดในทิฏฐิความเห็นเมื่อถามว่ามีท่านผู้ก้าวล่วงความยึดในกามราคะและทิฏฐิราคะหรือไม่ก็ตอบว่ามีและชี้ให้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีพรามเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะพระมหากัจจนะแสดงธรรมแก่กันทารายนพรรามเชให้เห็นว่าคนมีอายุแม้มากแต่ยังบริโภคกรรมก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นเทระหรือเป็นผู้เท่าผู้ใหญ่ส่วนคนหนึ่งตั้งอยู่ในปฐมวัยถ้าไม่บริโภคกา ร, รมก็ชื่อว่าเป็นเทระได้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเปรียบภิกษุชั่วด้วยโจรเปรียบภิกษุผู้รักศีลว่าเหมือนพระราชาทำให้ชนบทไม่มีความผาสุกหรือมีความผาสุกได้สุดแต่ฝ่ายไหนจะมีกำลังกว่ากันตรัสว่าไม่ส่งสันเสริญการปฏิบัติของข้ารือหัตหรือบรรพชิตคือนักบวชข้ารือหัตก็ตามบรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติผิดแล้วก็ไม่ได้บรรลุกุศลธรรมที่ถูกส่งสรรเสริญการปฏิบัติชอบของขาเรืหัดหรือบรรพชิตครืหัดก็ตามบรรพชิตก็ตามปฏิบัติชอบแล้วย่อมได้บรรลุกุศลธรรมที่ถูกตรัสว่าภิกษุที่คัดค้านอัฏฐธรรมะด้วยพระสูตรที่จำมาผิดมีพยัญชนะวิ จ, จิตชื่อว่าปฏิบัต เพื่อไม่เป็นประโยชน์และความสุขและประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากทั้งทมให้พระสัตวรรมอันตรธานแล้วทรงแสดงถึงภิกษุที่รับรองอัฏฐธรรมะด้วยพระสูตรที่ทรงจำไว้ดีมีพยัญชนะวิจิตชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขและประสบบุญเป็นอันมากทั้งดำรงพระสัตว์ทไว วักที่ห้าชื่อปริสวัคว่าด้วยบริษัททรงแสดงถึงบริษัทสองอย่างคือตื่นอย่างหนึ่งลึกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าตื่นเพราะขาดคุณธรรมคำว่าขาดคุณธรรมในที่นี้หมายความรวมในบาลีแสดงว่าที่ฟุ้งซ่านถือตัวพูดเพอปากล้าพูดไม่สํารวมหลงลืมสติ ไม่มีสัมปัตชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์ที่ชื่อว่าตื้นเพราะขาดคุณธรรมที่ชื่อว่าลึกเพราะมีคุณธรรมบริษัทสองอย่างคือที่แตกเป็นพวกกับที่พร้อมเพรียงกันบริษัทสองอย่างที่มีคนเลิศกับไม่มีคนเลิศที่ไม่มีคนเลิศคือที่มกักมากย่อหย่อน เห็นแก่นอนทอดทุระในความสงัดเป็นต้นที่มีคนเลิศคือที่ตรงกันข้ามบริษัทสองอย่างคือที่ไม่ประเสริฐกับประเสริฐเพราะไม่รู้หรือเพราะรู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงบริษัทสองอย่างคือบริษัทขยะกับบริษัทที่มีแกนสารบริษัทขยะ คือที่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวบริษัทที่มีแก่นสารคือที่ไม่ลำเอียงเพราะรักเป็นต้นบริษัทที่แนะนำยากกับบริษัทที่แนะนำง่ายบริษัทสองอย่างคือที่หนักในอาม i t h คือเห็นแก่ลาบไม่หนักในสัต์ธรรมกับที่หนักในสัต์ธรรมไม่หนักในอา m ิ t h บริษัทสองอย่างคือท th ี่ไม่สม่ำเสมอกับที่สม่ำเสมอข้อนี้กำหนดด้วยบริษัทที่มีการกระทาไม่ถูกธรรมวินัยหรือถูกธรรมวินัยบริษัทสองอย่างคือที่ไม่ประกอบด้วยธรรมะกับที่ประกอบด้วยธรรมะบริษัทสองอย่างคือที่กล่าวเป็นอธรรมกับที่กล่าวเป็นธรรม หมายเหตุในหมวดห้าสิบที่หนึ่งซึ่งมีห้าวร์มีห้าสิบสูตรนี้ได้ย่อมากเหล่าให้เห็นทุกสูตรส่วนหมวดห้าสิบต่อต่อไปจะย่อพอเห็นความที่สำคัญ